ปาสิกาแต่มายุกเรารุ่นเรานี่ยพิสุนีไม่ปรากฏพราะได้เสื่อมสู์ไปแล้วแต่จะด้วยประการใดก็าตามศาสนาพุทธและคุณธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไปสำหรับพวกหน้าบวชเพียงถ่ายเดียว จะเป็นใครก็ตามถ้ามายึดมั่นในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสามารถที่จะทำจิตของตนให้บรรลุอริยมรรคอริยผลได้ไม่เลือกชาติท่านวั น, นะหรือเพศ <c oughs> โยมผู้หญิงทั้งหลายมักจะแสดงความน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่ได้ปวดเป็นพระเหมือนอย่างผู้ชายเขา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 ถ้าจะร้อยก็เพียงแค่กําลังกายส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่ถ้ามาต่อยกับผู้ชายแล้วมักจะสู้ผู้ชายไม่ได้เพราะผู้ชายแข็งแรงกว่านี่ส่วนที่เราด้อยกว่ากันทีนี้ส่วนทางด้านจิตใจและความสามารถต่างๆนั้น <c oughs> การแบกถามผู้หญิงอาจจะด้อยกว่าผู้ชายแต่หัวใจสติปัญญา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 ความคิดทั้งหลายเหล่านี้เลิกกันเสียถะนึกว่าเราผู้ชายก็สามารถเราก็สามารถเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็นบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็นสมาธิภาวนาพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญขึ้นโดยคุ ณ, ณธรรม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 กำลังกายกำลังใจของเราเพื่อปูทชาปฏิบัติปู่ชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นยอดแห่งการให้ทานถ้าเรามามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันถูกต้องแล้วก็มาแนะนำพร่ำสอนเพื่อนบ้านให้มีความเข้าใจดีและปฏิบัติถูกต้องตามตำนองครองธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานอันประเสริ าการให้ทานการให้ทมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงทำไมจึงต้องชนะคนรู้จักให้ทานด้วยอาิต t h ก็เพราะว่ามีผู้ให้ทมเป็นทานคือแนะนาชี้แจงให้เข้าใจคนที่รู้จักบากคนคนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็เพราะผู้รู้ทมเป็นผู้แสดงให้ปัก คนรู้จักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็เพราะอาศัยผู้รู้ธรรมแสดงให้ฟังเพราะฉะนั้นการให้ธรรมเป็นฐานเนีย่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในทางปฏิบัติอภัยทานคือการรักษาศีลเป็นยอดแห่งการให้ทาน การสละชีวิตร่างกายของตนเองเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติก็เป็นยอดแห่งการให้ทานที่นี้ถ้ายิ่งเรามาตั้งใจรักษาศีลบำเพ็ญจิตให้บ ร, ริสุทธิสะอาดเจริญปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติของเราก็ยิ่งประเสริฐดูก่อนทิกสุทั้งหลาย ศาสนาของเราตถาค็จะดำรงอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัทจะเสริมลงก็เพราะพุทธบริษัทจะเจริญขึ้นก็เพราะพุทธบริษัทถ้าตราบใดที่พุทธบริษัทยังปฏิบัติทีปฏิบัติชอบโดยยึดหลักธรรมวินัยที่เราตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้วเป็นแนวทางดำเนินการปฏิบัต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 เราก็มีพระธรรมอยู่ในจิตตลอดการธรรมชาติของผู้ที่มีจิตเป็นผู้โลโผู้ตื่นผูเ้เบิกบานเขาย่อมจะมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีและจะตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาจจดอยู่เสมอ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 กันจะปากันวิ่งเต้นไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่ใดต้องกำหนดสติรู้ที่จิตของเราแล้วก็นึกพุทร้อมลมเข้าโพ ร, ร้อมลมออกนึกด้วยกิริยาเบาๆยาบังคับจิตแต่เรานึกไม่หยุด พอสูรลมเข้านึกโพูทปล่อยลมออกนึกถูธ่นึกอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่นึกโพูทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำสิ่งใดนอกเหนือไปจากนี้นึกอยู่อย่างนั้นแหะอย่าไปค่มจิตให้สงบ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 คำว่าโพธโมันจะหายไปยังเหลือแต่จิตลูลลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆนั่นแสดงว่าจิตของเรากำลังจะยึดอารมณ์เพียงอย่างเดียวซึ่งเรียกว่าเอกคตารมตอนแรกมันยึดอยู่กับโพธบโบังลมหายใจบัง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 เราฉะนั้นนักปฏิบัติอากไปกังวลสิ่งอื่นให้กำหนดสตริรู้ลมหายใจเท่านั้นทีนี้ในขณะที่จิตกำหนดรู้ลมหายใจอยู่จิตเข้าจะมีการวิ่งออกวิ่งเข้าตามลมหายใจบางครั้งรู้สึกว่าลมหายใจหยาบหายใจแรง ปลอยไปตามธรรมชาติอย่าไปปืนในบางครั้งลมหายใจแผ่วแผ่วแ่วลงน้อยลงน้อยลงเหมือนกับจะหยุดลมหายใจก็ อ, อย่าไปตกใจกำหนดสติรู้อยู่เฉยๆบางทีรู้สึกว่าไม่หายใจจิตไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆ แต่ยังรู้สึกว่าร่างกายปรากฏในความรู้สึกเพียงเบาๆ เ, าเมื่อจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานกายยังอยู่ย่อมมีปีติมีความสุขมีความดูดดื่มนั่นแสดงว่าจิตได้ดื่มรสพระสัทธรรม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 อย่าตื่นใจอย่าตกใจอย่าเอกใจให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆถ้าหากเราสามารถประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติภานนิมิตนั้นจะหยุดนิ่งให้เรารู้อยู่ได้เป็นนานๆบางทีเอเอเกิดอุกขาหานิมิตนิมิตติตา เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันก็เหมือนเหมือนกับว่าหากนิมิตนั้นยังอยู่หลับตาก็มองเห็นอยู่ลืมตาก็มองเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าอกะหะนิมิตนิมิตติดตานิมิม ต, ตมเป็นอกะหะนิมิตสมาธิเป็นสมาถากรรมฐาน เพราะจิตหยุดนิ่งรู้อยู่ที่นิมิตเพียงอย่างเดียวในขั้นต่อไปถ้าจิตของท่านจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิปัจฉณากรรมฐานนิมิตจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงบางทีย่อตัวเล็กลงบางทีขยายตัวเล็กใหญ่ขึ้น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 แสดงการเน่าเปือ่อยผุพังสลายตัวไปในขณะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนิมิตเป็นปฏิภาคะนิมิตสมาธิเป็นสมถ ะ, ะเป็นวิปัสนาเพราะจิตไปกำหนดหมายรูปความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์สิ่งรู้สิ่งเห็นแสดงว่าจิตก้าวหน้าต่อไป อันนี้ทางปฏิบัติต่อนิมิตเขตครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนมาท่านให้ปฏิบัติจากนี้อันนี้ทางหนึ่งที่ติดของผู้ปฏิบัติจะพึงเป็นไปถ้าจิตออกนอกเกิดมโนหภาพสิ่งเรียกว่านิมิตถ้านิมิตหยุดนิ่งไม่ไหวจริงจนติดตา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 เมื่อจิตไปสงบนิ่งรู้อยู่ภายในกายมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวนิมิตเป็นของแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาธิเป็นสมถะกรรมฐานนิมิตก็เป็นอบข้าหานิมิต ที่นี้เมื่อจิตสงบได้ละเอีย ด, ล ง, ยยดลงไป้ละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายหายไปยังเหลือแต่จิตสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างถ้าหากว่าจิตดวงนี้เป็นไปได้เพียงแค่นี้แล้วก็ถอนจากสมาธิ สมาธิอันนี้ก็เป็นเพียงสมถมกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าอาศัยความที่จิตได้ผ่านการตรวจค้นอาการสามสิบสองคือรู้เห็นอาการสามสิบสองพั่วหมดในขณะจิตเดียวแล้วผ่านไปถ้าหากว่าจิตจะกล้ก้าวขึ้นสู่ภมมิปัจ น, นากรรมฐาน เมื่อจิตไปลอยเด่นสว่างสวัยดยูมองลงมาจะเห็นร่างกายนอนตายเหยียวเฉายูร่างกายก็เริ่มขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็แรกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินความรู้เห็นอันนี้ถ้าหากว่าจิตถอนออกมา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 เจตรวงนี้จะทิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งโดยบางทีเขาอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองขึ้นมาว่านี่หรือคือการตายคำตอบก็จะพูดขึ้นมาลับว่าใช่แล้วในเมื่อตายแล้วร่างกายก็ขึ้นอือ น, น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปยังเหลือแต่โครงกระดูก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 เพราะร่างกายของเรานี้มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไหลเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนความรู้เห็นว่าร่างกายตายได้มรณานุสติกรรมฐานความรู้เห็นว่าร่างกายผูกเบยผูกพังเล่าเปบยได้อสุภกรรมฐาน ความเราเห็นโครงกระดูกได้อธิกรรมฐานความเราเห็นว่าร่างกายสลายตัวไปเป็นธาตุสีือน้ำลมไฟได้ธาตุกรรมฐานความเราเห็นว่าไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา่าเป็นวิปัสนาญาณรู้อนัตตานี่การภาวนา ร, ร, รทำใจสงบเพียงครั้งเดียว ได้กรรมฐานหลายอย่างหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานอสุภกรรมฐานอัตถิกรรมฐานาธาตุกรรมฐานแล้วรู้อนัตตาคือความไม่มีร่างกายตัวตนสัตว์บุนคคลเราเขาในร่างกายนี้แล้วเราจะได้ความรู้ต่อไปว่าร่างกายของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุสี่น้ำลมไฟไประชุมกันอยู่เท่านั้น เมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณมาสิงสถิตอยู่อาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็มาบัญญัติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาแต่แท้ที่จริงแล้ว <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วในปัญหาเพียงแค่นี้เราก็รู้พระไตรลักษณ์ขอบพน้นความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เป็นอนิจจังความสลายตัวของร่างกายเป็นทุกขงังความไม่มีอาาัตตาตัวตนเป็นอนัตตาก็รู้อนิจจงทุกขังอนัตตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายสมถะวิปัตสัมถะเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาถ้าสมถะไม่มียานก็ไม่มี ฌานก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานจึงเป็นเพื้นฐานให้เกิดฌานและปัญญาอันนี้ทางเป็นไปของจิตในสองทางอีกทางหนึ่งเจตมากำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียว หรือบางทีจิตสงบปรงเนดหน่อยความคิดความรู้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุแต่จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะตามรู้ไปตลอดความคิดใเจิตมันปรุงแต่งขึ้นมานั่นจะเป็นอะไรก็ได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลซึ่งสุดแท้แต่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมา เราไม่ไปป่าปืนเราไม่ไปขัดขืนเราไม่ไปห้ามความคิดปอยถ้ามันคิดไปตามธรรมชาติถ้าเราตั้งใจได้อยู่ก็ตั้งใจกำหนดสติตามรู้ ร, รู้รูู้ไปแต่ถ้าหาว่าสมาธิสติมีความเข้มแข็งความตั้งใจของเรามันจะหายไปจิตจะดำเนินไปตามพันรองของสมาธิตามหลักธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตของเราเป็นไปเองโดยอัตโนมัติพอไปถึงจุดๆหนึ่งจิดจะแบ่งออกเป็นสามมิติมิติหนึ่งเคลียดอยู่ไม่หยุดเรียกว่าจิตเหนือสํานึกมิติหนึ่งกำหนดจดจ้องรู้อยู่ไม่ลดละ อันนี้สติตัวผู้รู้อีกอันหนึ่งหยุดนิ่งอยู่ในท่ากลางของร่างกายอันนี้เป็นตัวจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานจิตดำเนินไปตามคันรองของมันธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งรละลึก เขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีทุกทีสมาธิก็เข้มแข็งสติก็เข้มขน้นในเมื่อมีพลังพร้อมจิตจะไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็หยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานอารมณ์อันเป็นความคิดที่จิตปรุงแต่ง ม, มันจะไปวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลา แต่จิตตั้งนิ่งเด่นสว่างสวยอารมณ์ผ่านเข้าไปถึงกระแสแห่งความสว่างของจิตมันจะตกไปตกไปเหมือนเมลงบินเข้ากองไฟแต่จิตหาได้หวันไหวไหม่จิตดวงที่ตั้งมั่นนิ่งเด่นไม่ไหวติง่งเรียกว่าถีติ